แล้วพระพุทธเจ้านั้นต่อไปพระองค์ทรงเป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหน้าก็คือพระองค์เป็นผู้นำทางก็เหมือนกับส ม, มัธยมผู้การเนี่ยไปต่างประเทศไม่เคยไปเลยเนี่ยแล้วพูดภาษาเขาไม่ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยพูดภาษานั้นได้เราจะเข้าไปหาคนนั้นไหมเข้าไปหาคนนั้นเรียกว่าไกด์ใช่ไหมนั่นแหละเป็นผู้นำทางเราไปเรามีเป้าหมายจะไปที่ไหนบ้างไกด์เหล่านั้นก็จะพา เราไปถึงที่เป้าหมายที่เราต้องการจะไปเราต้องการจะรู้อริยศาสตร์สีใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ดําเนินไปนําหน้าเราไปอ่ะเป็นคนพาเราไปอ่ะท่านจะไปไหนละ่ะพระพุทธเจ้าสมมติถ้าเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะองค์บอกเลยนะนี่ทางไปมนุษย์เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดอยากเป็นเทวดาอยากเป็นเทวดาชั้นจ่าตุมชั้นยามาชั้นดุสิตนิมมานรดีเธอทําทใจอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้นะจะไปจ่าตุม ไปดาวดึงถ้ า, าไปไปพรมมโลกทางไปพรมมโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเธออยากดับทุกข์เนี่ยนี่คือหนทางแห่งความดับทุกข์พระ อ, องค์เนี่ยบอกทางเราละเอียดพระ อ, องค์เนี่ยรู้ทางหมดอะทางไปนรกโ อ, องก็รู้ทางไปเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานรู้หมดอันพระ อ, องค์เนี่ยจึงเป็นผู้ดําเนินไปในเบื้องหน้าของเราเป็นมักคุเท ศ, เเทศ อ, อุเทศเนี่ยแปลว่าชี้หรือหัวข้อ มักคาแปลว่าทางเป็นผู้ชี้นำทางแห่งจิตใจของเราใช่ไหมเอสมมติเรามองเห็นอย่างนี้ต้องมีคนชี้ทางด้วยไหมสมมตินามามองเห็นพัดลมเนี่ยต้องมีคนชี้ทางด้วยไหมถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆเนี่ยแสดงว่าถ้าเราเห็นแก้วนี่เราเชื่อว่ารู้จริงไหมใช่ไหมพระพุทธเจ้าชี้ทางไม่ได้แปลว่าเออนี่ทางไปบ้านเธอเธอไปทางนี้นะ พองไม่ได้มาเดินดำหน้าอย่างนั้นแต่พระองค์ทรงชี้ทางให้เรามองว่านี้คือทุกข์นี่คื อ, ค, อความดับทุกข์พระองค์ชี้ให้เราอย่างนี้นะโถ่ทารู้แค่นี้เราไม่ต้องนับถือพผู้เจ้าเลยเอาเถอะนะามารู้เห็นแค่นี้นะแล้วใช้ชีวิตแค่เดินทางมาบ้านทำมาหากินนะไม่ต้องนับถือผู้เจ้าเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วแต่ทีนี้เรามารู้ว่า ถ้าเรามีสาระกับไม่มีสาระต่างกันไหมคนมีสาระมองเห็นดอกไม้กับไม่มีสาระมองเห็นดอกไม้ต่างกันไหมต่างกันทั้งๆที่สีดอกไม้เหมือนกันแต่ความนึกคิดแตกต่างกันระหว่างคนมีสาระกับไม่มีสาระถ้าคนมีสาระนะพระองค์จะชี้เลยว่าจิตเห็นของเธอเป็นผลของกรรม อาศัยตากับสีจึงเกิดจิตเห็นจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นสามอย่างประชมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นอุปนิสัยให้เกิดตัณหานั่นแหละพระองค์ก็สอนเราเนี่ยเรามีสารณะและแต่ถ้ามองเห็นแค่ดอกไม้เอ้ชื่ออะไรนะบอกไม่ต้องนับถือผู้ได้เจ้าก็ได้ถามโยมผู้การก็บอกชื่อได้แล้วเนาะเพราะฉะเราจะเห็นว่าเรามีสารณะขนาดไหน เราเรามีที่พึ่งขนาดไหนเพราะเราจะมีผู้เจ้าเป็นที่พึ่งต่อเมื่อเรามีทมเต็นที่พึ่งที่พึ่งและเราจะเห็นว่าชีวิตขณะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรามีที่พึ่งมากขนาดไหนเรามีผู้นำทางอยู่หรือเปล่าแม้กระทั่งแค่เหลียวเท่านั้นก็ต้องมีพระผู้ภิพกเป็นที่พึ่งมีที่ไปในเบื้องหน้าแค่เหลียวครับร แ, คแค่ก้าวไปถอยกลับ ก็มีพระพุทธภาพเป็นที่พึ่งเป็นยังไงครับถ้าเหลียวก็แลเหลียวใช่ไหมคู่ที่อบรมสัมปชัญญะสี่โดยเชื่อข้อปฏิบัติในเรื่องสัมปชัญญะสี่คนนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นําทางในขณะที่แลเหลียวสามารถที่จะมองเห็นหลักกรรมและผลของกรรมในขณะที่แลเหลียวเป็นต้นเฉนั้นขณะนั้นเนี่ยเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะ แต่เหมือนกับเราไปเรียนวิชาอ่านหนังสือจากอาจารย์มาอย่างเงี้ยไปหาอาจารย์โหอาจารย์ก็สอนเรื่องอ่านหนังสือใหญ่โตมาเลยเราก็ถือว่าจบวิชานั้นมามาอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวอย่างเนี้ยถามว่าเสด็์มีอาจารย์ไหมเราก็เหมือนการศึกษาประธรรมคำสอนโอ้หฟังมาตั้งเยอะแยะเสร็จ <Okay. S 1> แล้วมองเห็นอะไรมองเรื่องกรรมไม่ออกสักอย่างเลยอ่ะห <Okay. S 1> มาถ้าบ่นับถือพุทธเจา้านี่เสีย <laughs> เสียไปถึงพุทธเจา้าแน่ แม้แต่เรื่องกรรมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะอยังนึกถึงนะมันแปลว่าเรามีที่พึ่งทุกลมหายใจก็ได้นะคร<ถ>ับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสมณเพศนี่นะครับก็ท่านถึงมากกว่าท่านมีที่พึ่งมากกว่าผมอ่ะใช่เราของเรากําลังมาสแสวงหาที่พึ่งกันเนาะสแสวงหาเกาะแสวงหาที่พึ่งท่านเราจะทําให้เห็นว่า ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราจะพูดอย่างเงี้ยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าเราจะพูดเนี่ยเราพูดแบบคนมีที่พึ่งไหมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไหมคําพูดของเราที่เราพูดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมท่านพอท่านบรรยายมาถึงตรงนี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นที่พึ่งมากขึ้น น, นะครับแล้วก็ยึดที่พึ่งมากขึ้นแต่ก่อนนี้เราก็ ค, ค่อยไม่มองไม่ครออกไม่รู้จะพิ่งยังไงเหมือนว่มีของดีแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงใช่มีรถคันนึงจอดอยู่ก็ขับก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอ่ะเนะ<ช>มีตู้เย็นก็เปิดไม่เป็นใช่ครับมีคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้จัดใช้สักอย่างท่านช่วยท่านช่วยแน่นะมีต่อ<ช>ครับเพานถ้าหากว่าเราใช้มีสารณัมีที่พึ่งจริงๆนะก่อนที่จะมาพูดถึงสารณะขนาดนี้นะเราฟังทำ ม, มาระยะหนึ่งแล้วเราพอเข้าใจธรรมะเหล่านั้น ถ้าเราพอเข้าใจธรรมะสามารถดึงคำสอนเหล่านั้นมาใช้ได้แสดงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระองค์เนี่ยคอยแนะนำเราหมดเลยนะมีไหมตอนไหนที่พระองค์ไม่แนะนำเราเลยชีวิตของเราตอนไหนบ้างที่พระองค์ไม่แนะนำเลยมีไหมไม่มีเลยเพียงแต่ไม่เรียกชื่อเท่านั้นเองไม่ใช่บัญญัติแบบพวกเราสมมติในสัมปชัญญะบับพพะนะเจ็ดหมวดเจ็ดข้อใช่ไห จะแรจะเหลียวนเรื่องของทางตาทั้งหมดเลยจะคูคเข้าเหยียดออกการขยับตัวทุกชนิดนะแะและอะไรอีกโดยที่สุดแม้แต่ถ่ายอุจราระปัสสาวะพ้องสอนหมดแล้วถ้ามีการอบรมสัมปชัญญะทั้งสี่สถานะสัมปชัญญะเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของศีลเป็นปัญญาที่เป็นไปกับเรื่องของศีลเป็นต้นเป็นปัญญาที่เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องกุศลจิต เป็นปัญญาที่เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของสมถะวิปัสสนานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการอบรมมีความเข้าใจเราตลอดนะนั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหน้าของเราแล้วเรามีคนพาเราไปแล้วเราไม่ได้สุมไปนะนะเมื่อก่อนเนี่ยโอไปเข้าห้องน้ำก็ไปพวดพวดพวดพดเรียบร้อยไม่มีตรรณาอะไรเลยเราลองถามดูง่ายๆอย่างนี้นะ คนทั่วไปก็แต่งตัวกับเราแต่งตัวเนี่ยคนมีสาระแต่งตัวกับคนไม่มีสาระแต่งตัวนี่ต่างกันไหมต่างกันไหมต่างโดยอะไรโดยโดยสีเสื้อโดยผิวพรรณโดยการแต่งหน้าทาปากใช่ไหมหรือแต่งโดยตัวไหนแต่งโดยความโดยปัญญาโดยความรู้โดยความเข้าใจเพราะนั้นถ้าหากว่าคนที่แต่งด้วยมีคําสอนก็คือแต่งแบบถ้าพองสูนีพองใช้กับผ้าใช่ไม จะนุ่งสบายทรงจีวรซ้อนสังขารติอ่ะพวกเนี้ยของเราก็คือแต่งตัวนั่นเองถ้าแต่งตัวด้วยมีศากกะสัมปชัญญะเป็นต้นอ่ะนั่นแหละเรามีสารณะในขณะที่เราแต่งตัวไม่ใช่สาระโอโหกว่าจะแต่งตัวเสร็จมาสวดมนต์ไหว้พระไอตอนตายเนี่ยมันได้ตายตอนไหว้พระเนอะพวกเราตายตายตอนไหวพ้พระไหมไม่แน่ใช่ไหมบางทีอาจจะตอนขับรถอย่างเงี้ยถ้าตอนขับรถถ้าเราไม่มีสารณะถามว่าไปดีไหมล่ะนั่นแหละ อาจจะไปไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวถ้าใช้คําว่าที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยนะเราจะเห็นชัดเคยเห็นคนไต่ภูเขาไหมไต่ในที่สูงสูงเนี่ยนะกำลังไต่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าชีวิตอย่างนั้นเขาเป็นชีวิตที่ปลอดภยัยไหมเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยนะสมมติเรากําลังไต่เขาเนี่ยกําลังห้อยโหอนอยู่ใ น, เ, นเขาที่มันสูงเป็นสูงเป็นหลายๆกิโลเนี่ย พวกเราอยู่ในวนัฏตะนียกําลังไต่อยู่นะถ้าไตาพลาดตกนรกชีวิตของเราที่จริงนะ่ยมันมีการเดิมพันนะถ้าคนไต่เขาเนี่ยถ้าตกจากเขาเนี่ยตกมาเนี่ยตายหรือทุกปางตายพวกเราถ้าไต่ในเรื่องชีวิตเนี่ยการดําเนินชีวิตเหมือนกับไต่เขานั่นแหละถ้าเราไต่พลาดเบาๆที่สุดเดรฉ า, านหนักกว่า น, นั้นเปรตซวยกว่า น, นั้น อสุรกายเลวที่สุดนรกเลยเนี่ยถือว่าไต่เดินทางเนี่ยที่จริงเราเหมือนไต่อยู่นะเพราะว่ามันเดินเฉียดปากอบายอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชีวิตของเราก็ดูว่าชีวิตของเราเนี่ยหนักแน่นในคำสอนขนาดไหนเราก็สังเกตดูพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราสมาทานที่จะใช้กายกรรมตามคำสอนไหม เราสมาทานที่จะใช้วัจีกรรมตามคําสอนไหมเราสมาทานใช้มนโนกรรมตามคําสอนไหมถ้าเราสมาทานประพฤติตามนั้นเรียกว่าคนมีสารณะคนมีที่พึ่งมีที่ไปในเบื้องหน้า อ, อมาใช่อย่างนี้นะไม่ก็ยังแบบบางทีมันวงแหวงเลยเมื่อวานยังปาล็อตบอกว่าออมาศึกษาในเรื่องสารณะเอะ้เรานี่มันทีแรกๆก็ดูเหมือนใกล้นะศึกษาไปเนี่ยโอ้โหเรานี่ห่างสารณะจริงๆเลยนะเอาชั่วโมงต่อชั่วโมงมาจับเนี่ย เอากายกรรมวจีกรรมมาจับมาสงเคราะห์ลงสารณะวันหนึ่งจริงๆเรามีสารณะเนี่ยไม่มากนะเอางี้นะถ้ามีสารณะเนี่ยจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต้องเป็นกุศลใช่ไมเออแล้ววันหนึ่งจิตเป็นกุศลหรืออกุศลมากอากุศลมากแล้วมีสารณะไหมตอนเป็นอกุศลโอ้ยโลภะเนี่ยไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรอกเป็นศาสนาของโลภะแล้ว ถ้าโทสะก็ไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะขณะที่โทสะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้ามีคนเอาเลื่อยสองข้างเนี่ยจับสองข้างมาตัดครึ่งหนึ่งเลยนะถ้าเธอโกรธก็ชื่อว่าไม่ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าโกรธแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะในขณะนั้น้าโมหะแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของโมหะใช่หม ร้ทาแปลว่ารู้ทรรโมหะเนี่ยโอ้ตรงข้ามกับพสุศาสนาเลยเพราะต้องมีความรู้ความเข้าใจรู้น้อยที่สุดก็คือเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เรื่องบุญเรื่องบาปอย่างชัดเจนเลยสามารถถ้าผู้ที่ศึกษาคำสอนนะพูดออกไปหนึ่งคำเนี่ยแทบจะรู้เลยว่าจะไปไหนเพราะคำพูดนี้ใช่ไหมรู้ได้ไหมคำพูดเนี่ยเป็นเจตนาเกิดด้วยเจตนาใช่หม เจตนานั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลให้ผลไปไหนกุศลให้ผลไปไหนพอใช้คำหนึ่งคำเฮ้ยเนี่ยแทบจะรู้เลยไปไหนเนี่ยสภาพจิตเจตนานเนี่ยไปสู่ภพไหนเพราะเราเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวขนาดไหนในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเพราะว่ากรรมที่จะนําไปสู่อาบายทุกขติวินิบนะัตินรก็คือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม กรรมที่จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์หรือนิพพานก็เป็นกายกรรมบจีกรรมและมนโนกรรมนี้เราก็สอบสวนดูว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวในขณะที่ทํากรรมเหล่านี้ไหมนั่นแหละถ้าเรามีพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวในขณะที่ทํากายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมแสดงว่าเรานี่มั่นคงในคําสอนนั่นแหละอันท่าหากว่าไม่ได้ดีจริงนะมันจะไม่มีอ น, นิสองเยอะหรอกนั่นแหละ พ่อผู้เจ้าบอกว่าในข้างหน้าเราพูดไปเรื่องผลของอ น, นิสง์ผลของไตรสรณนคมกล่าวว่าเราว่าไงอ น, นิสง์ของไตรสรณนคมผลของอ น, นิสงเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลน่ะผลถ้าหากว่าโอธรรมดาธรรมดาแล้วจะมีอ น, นิสง์มากขนาดนั้นเลอนั่นแหละก็บอกว่าเพิ่งทราบความพิเศษแห่งผลของสรณนคมด้วยสา ม, มารถแห่งเวลามาสุดเป็นต้นว่า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 สังฆทานอันนั้นก็สู้สร้างเสนาสะนะสร้างกุฏิอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอุทิตแก่สง์ที่มาจากทิศทั้งสี่นะไม่ได้สร้างเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งแต่สร้างให้สงมาจากทิศทั้งสี่อะ่ะสร้างเสนาสะนะเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเป็นกุฏิกระจกกระจอกนะถึงจะสร้างแม้กระทั่งขนาดปราศาส์ขนาดไหนก็ตามเถอะด้วยแก้วเจ็ดประการขนาดไหนแต่ว่าการสร้างอันนั้นมีผล สู้ถึงไตรสารณคมไม่ได้ผู้ที่ถึงไตรสารณคมแล้วได้รับผลมากได้รับอา น, นิสงส์มากจึงไม่ได้เป็นการเข้าถึงแบบแบบไม่เข้าใจอะไรสักอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ท่องอย่างนั้นก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณาหมดนั่นแหละบางทีเนี่ยนะหมอผีบางกลุ่มนะเวลาเขาจะทําพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเขาตั้งหน้าโมก่อนนะ แต่แปลว่าเขาถึงใต่สารณาคมไหมเปล่าเขากำลังทาจะทำไสยศาสตร์อยู่แต่เขาตั้งนโมกันจะทำพิธีขอหวยกับต้นไม้อยู่อย่างนี้เขาตั้งนโมก่อนนะเขาตั้งตามธรรมเนียมของเขานะเขาไม่ได้ตั้งเพราะนับถือพระพุทธเจ้าอะไรหรอกนั่นแหละเพรา ะ, ะถ้าหากว่าคนที่ทำแบบไม่รู้ไม่เข้าใจจึงไม่ได้รับอานิสงส์เลยและอย่างหนึ่งนะต่อไปอีกว่า พระองค์นั้นเป็นผู้ทําลายทุกขพระองค์เนี่ยทำลายทุกทั้งทางกายพระองค์เนี่ยทำลายทุกทั้งทางใจถ้าหากว่าคนสมัยนี้เราหาตัวอย่างยากนะถ้าเอาแบบเป็นสมัยพุทธกาลจริงๆเนี่ยมีตัวอย่างเยอะพระองค์เนี่ยทรงทําลายทุกทางกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหาประมาณไม่ได้ สัตว์ทั้งหลายที่กําลังได้รับความทุกข์อยู่มากมายพระองค์ก็สามารถทําลายความทุกข์ของคนเหล่านั้นได้เช่นทุกข์ของพิษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านเสือเนี่ยกำลังกัดกินท่านท่านสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ะนั้นคําสอนอันนั้นชื่อว่าทําลายทุกข์กันได้และก็คําสอนของพระผู้มีพระภาคทำลายความโศกเศร้าเสียใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมาก พยานางปตาจาราอย่างเงี้ยปตาจาราเนี่ยถึงกับเป็นบ้าเลยนะปะแปลว่าตกอาจาระแปลว่ามารยาทมีมารยาท ต, ตกไปกลายเป็นหญิงแก่ผ้าเป็นนางบ้าคนหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสงเคราะห์ให้นางเนี่ยพ้นจากความเศร้าโศกพ้นจากความเป็นบ้าอันนั้นถามว่าพระองค์ช่วยเราไหมจากพ้นจากความเป็นบ้าเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ช่วยเราไหม ช่วยนะกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบ้าคือกรรมชนิดไหนกรรมที่จะทำให้เป็นบ้าก็คือการดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ให้เราดื่มสุราและเมรัยเพระองค์ต้องการเราจากการเกิดเป็นคนบ้าในชาติต่ อ, ตอไปเพราะว่าคนที่บ้าสติวิปลาสเนี่ยการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท แล้วก็เป็นความวิบล่าดคลาดเคลื่อนทัา น, นพระองค์เนี่ยทรงทําลายทุกและที่แน่ๆอีกในหนึ่งก็คือพระองค์เนี่ยทรงทําลายวัตถุทุกอย่างเช่นอบายถ้าหากว่าเรามาสามารถเจริญบุญกุศลทั้งหลายแหละเนี่ยเราสามารถที่จะพ้นจากนารกได้อะเพราะาเราปฏิบัติตามคําสอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อคําสอนนะลองซวยตกนรกดูสิตกนรกกว่าจะมาเป็นมนุษย์คือเนี่ยอย่าหวังเลย หวังได้มั้งเงี้ยมันริบ ป, ปรีเต็มทีเลยอ่ะเพราะว่าไปอยู่ในในรกเนี่ยสมมติสักแสนปีอย่างเงี้ยกุศลจิตเกิดง่ายไหมพอพ้นมาจากนรกส่วนใหญ่จะไปต่อที่เปรตนะส่วนใหญ่จะมาต่อที่เปรตแล้วพวกเปรตจากปฏิบัติธรรมฟังธรรมมีไหมไม่แน่พ้นมาจากเปรตอีกเดรฉ า, านอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นตลาเกิดเป็นปลวกอย่างเงี้ยเกิดเป็นพึ่งอย่างเงี้ยถามว่าเมื่อไหร่จะได้มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์อ่ะ เกิดเป็นปลาอยู่ในทะเลปลาทะเลกี่ตัวโยนโอ้โหขนาดเขาพี่จริงนะประเทศไทยเนี่ยนะเอาปลามาให้คนในทั้งประเทศทานกันเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยหลายคันรถสิบล้อนะไม่ใช่คันสิบล้อคันเดียววันหนึ่งเนี่ยเป็นสิบสิบคันรถสิบล้อที่ขนขึ้นมาเรื่อยๆขนาดนั้นปลาในทะเลก็ยังไม่หมดมันมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วปลาหนึ่งตัวนี่มีไข่กี่ฟอง แล้วมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยสามารถตั้งคันได้กี่คนแล้วถ้าเกิดที่ไหนเดียกันนี้ทีนี้เราก็มาถามดูบุญของเราว่าเรามีบุญขนาดไหนพอที่จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ยังยากขนาดนี้เทวดาเนี่เกิดยากกว่าเป็นมนุษย์อีกเพราะเทวดาเป็นภูมิที่ประนีตกว่ามีความสุขกว่าแล้วเทวดาชั้นสูงๆนั้นยากขึ้นกว่ากว่านั้นตามลาดับชั้นอีกอันนี้อบายนี่มันมากเหลือเกินเนี่ย ปลวกหรือมดแดงรังหนึ่งเนี่ยกี่ตัวหูเยอะแยะปลวกหนึ่งหนึ่งจอมปลวกเนี่ยมากมายมหาศาลปลาแต่และตัวฟาร์มหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมีมากมายมหาศาลเพราะนั้นเราสามารถปฏิสนธิที่นั่นได้หมดเลยถ้ายังมีจิตนะอย่าคิดว่าปฏิสนธิตรงนั้นมันยากมันยากถ้าจุติจิตดับปุ๊บเนี่ยนะจุติจิตดับกับกับพิภตาเนี่ยนะจุติจิตดับเร็วกว่ากับพิภตา เพราะว่าบางคนเนี่ยกลังตาค้างตายเลยก็มีเคยเคยได้ยินไหยคนดูทีวีดหูหัวเราะฮะ่แหค้างตายตรงนั้นเลยมีหัวใจล้มเหลวตายกาเยอะแยะไปฮันจุดจิตปั๊บเดียวฮัเนเองจะไปปฏิสนธิที่นรกหรืออบายภูมิไหนเนี่ยกระพริบตายยังช้าไปปฏิสนธิที่นั่นทันทีและยอมคนหนึ่งก็ถามว่าเออเลือกเกิดได้ไหมถ้ามันเกิดมาแล้วอย่างงี้มันเลือกไม่ได้แล้ว ถ้าเกิดมาแล้วนะถ้าของอาตมากับโยมผู้การอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้แล้วแต่ถ้าชาติหน้าเลือกได้ไหมเลือกได้ถ้าคิดได้เอานะถ้าใครสามารถเลือกคิดได้คนนั้นเลือกเกิดได้เอาถ้าเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำตามมนุษยธรรมสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเลือกพูดเลือกคิดตามเทวธรรมเป็นเทวดาได้ ถ้าเลือกพูดเลือกคิดตามพรมวิหารเป็นพรมได้คุณคิดได้ไหมล่ะได้บ้างไม่ได้ม้างก็แหมก็เฉียดเฉียดไม่ไงน่ะนะะมนุษยธรรมมนุษยธรรมคืออะไรกุศลกรรมบทสิบเรียกว่ามนุษยธรรมเพราะธทำที่ทําให้มาเป็นมนุษย์ได้กุศลกรรมบทสิบชื่อว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมอันพวกชานาพิญญาเป็นต้นจึงเป็น อุตริมนุษยธรรมนั่นแหละครับว่าถ้าเป็นพระเนี่ยไปอวดพวกฌานมรรคผลเป็นต้นจึงเป็นเป็นอบัติปราชิกนะอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนอ่าถ้าหากว่าพวกกุศลกรรมบโหสถเป็นมนุษยธรรมและมนุษยธรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้ใดสมาทานพูดคิดแบบนี้ได้ผู้นั้นก็ไม่แปอบายห น, า ห, นาหนึ่งชาติหนึ่งชาตินะชาติหน้าแต่ พอเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าก็เหมือนกับผมเป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วไปทําอะไรอยู่อีกในชาตินั้นน่ะคิดได้นะคนนั้นก็เลือกเกิดได้แต่ถ้ายังเลือกคิดไม่ได้ที่เกิดนี้ไม่แน่นอนนั่นแหละและพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นถ้าหากว่าเราถึงพระ อ, องค์เป็นสารณะจริงๆนะพระ อ, องค์ไม่ปล่อยให้เราไปอาบายหรอกเชื่อเวลาเราจะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยคําสอนจะ แ, แววมาเลยถ้าเราถ้าคน ถ้าคนนับถือพระ อ, องค์จริงๆก็จะนึกถึงคำของพระ อ, องค์ใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเราพูดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยคำสอนจะบอกเลยถ้าพลาดแล้วพระ อ, องค์บอกว่าให้เธอสำรวมระวังต่อไปพระ อ, องค์บอกวิธีแก้ให้หมดอ่ะสมมุติว่ายานี้เนี่ยกินแล้วมีโทษนะมันผลไม้ลูกนี้มีพิษนะอย่าไปกินนะเผลอวยัดเข้าปากเอาทําไงอ่ะคราวนี้พระ อ, องค์บอกคายออกซะเออกลืนไปแล้วทําไงอ่ะเอายาล้างไปแล้วไปนอนพักฟื้นนะ เนี่ยพระ อ, องค์สอนหมดเลยทุกวิธีการหมดะพะ อ, องรักษาเรานะก็บอกว่าเหมือนมนันพระราหุนบอกว่าบิดาที่คอยตามรักษาบุตรชั้นใดพระพุทธเจ้าเนี่ยตามรักษาสาวกของพระ อ, องค์เหมือนบิดามารดาที่คอยตามรักษาบุตรฉะนั้นคอยห้ามคอยแก้หมดอะ่ะแม่แต่เป็นประราชิกพระ อ, องค์ยังยังยังสอนอยู่นะถ้าเป็นประราชิกเธอศึกไปซะ พระ อ, องค์บอกวิธีแก้ให้หมดนะสึกอย่างนี้แล้วไปทําอย่างนี้นะแก้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเธอเป็นอาบัตขนาดนี้เธอไปทําแบบนี้นะแก้แบบนี้นะพระ อ, องค์แก้ให้หมดเลยแล้วไม่ได้ขีดพาเส้นตาให้ว่าโทอยาณนะถ้าเป็นแล้วตายสถานเดียวเนี่ยประหารไม่มีเวน้นแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยแก้ไม่ได้เลยถ้ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระ อ, องค์ก็บอกสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของพระของตนเหมือนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทั้งหลายประโยชน์ไหนบ้างอะที่พระองค์ไม่บอกเรามีไมั้ยังประโยชน์ในชาตินี้ที่พระองค์ไม่บอกเราเลยนี่มีไหมถ้าหากว่าใครที่เคยอ่านสิงค์าละกะสูตรนะสูตรในการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พระองค์ก็สอนให้ทำตัวยังไงเกี่ยวข้องกับคนใช้ทาตัวยังไงเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงทาตัวยังไง เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ทําตัวยังไงเกี่ยวข้องกับสมณะพราหมณ์ทําตัวยังไงเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาครอบครัวเนี่ยทำตัวยังไงและวิธีทํากิจการงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระองค์บอกหมดแต่พระพุทธศาสนามไม่ได้สอนเรื่องอาชีพนะพระองค์สอนว่าอาชีพใดที่เว้นจากการยัตุจริศสาวัาจีทุจริศีอาชีพนั้นนาไปเลยพระองค์ไม่ได้ล็อกว่าต้องอาชีพนี้นะพระองค์ไม่ได้ล็อกเพราะฉะนนั้อาชีพนั้นๆที่ประกอบ ต้องตื่นต้องขยันทํามาหากินเป็นต้นพงหลักแม้ถ้าได้ทรัพย์นั้นมาควรจะแบ่งทรัพย์เหล่านั้นเป็นยังไงยังไงนี้ประโยชน์โลกนี้จัดแจงหมดเสร็จแล้วเธอทําประโยชน์ในโลกนี้ต้องเผื่อประโยชน์ในโลกหน้าด้วยใช่ไหมส่วนหนึ่งรับประทานส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลี้ยงดูครอบครัวส่วนหนึ่งเป็นทุนรอนส่วนหนึ่งทำบุญทํากุศลพระองค์ก็ยังแบ่งแบ่งสอนหมดอะ่ะ เสร็จแล้วถ้าต้องการประโยชน์ที่สูงสุดขึ้นกว่านั้นอีกเธอพูดอย่างนี้นะเธอคิดอย่างนี้เธอปารลแบบนี้นะคิดยังไงเออนี่เป็นรูปนะนี่เป็นนามแต่ว่าคิดเนี่ยไม่ได้คิดแบบธรรมดานะคิดแบบมีปัญญาประกอบมหากุุสนี้คิดไหมอ้างว่าจิตธรรมชาติของจิตก็คิดแต่คิดแบบมหากุสลใช่หคิดด้วยมหากุศญญาสัมปยุทธ์คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอริยสัจ นั่นแหละถ้าเธอคิดในเรื่องราวเหล่านี้มากๆด้วยอำนาจปัญญาด้วยอำนาจวิริยะด้วยอำนาจสติเป็นต้นทำให้เธอพ้นจากกองทุกได้ผมก็สอนสอนแม้กระทั่งคิดอะต่อไปถ้าหากว่าคนที่เป็นนับถือพระ อ, องค์เป็นสารณะก็คือพระ อ, องค์เนี่ยทรงประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทั้งหมดเลยและเราทั้งหลายคือตรัสรู้ตามอย่างนี้ชื่อว่า ทั้งหมดนี่นะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะคนที่มีลักษณะตามที่ว่าไปแล้วเนี่ยชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะส่วนผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดตรงกันข้ามนี้ไม่ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเราก็สามารถสำรวจชีวิตเราได้ว่าเราเนี่ยมั่นคงในสารณะขนาดไหน หรือบางทีแหมเรายกให้พระโสดาบันพระโสดาบันท่านมีอัจฉริยสัพธามั่นคงไม่หวั่นไหวเราต้องคิดดูว่าพระโสดาบันเนี่ยไปจากไหนก่อนที่ท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละบางคนเนี่ยหนักกว่าเราเลยเนาะของเรานี่มีไหมโสเพณีไม่มีแต่คนสมัยก่อนเป็นโสเพณีเสร็จมาเป็นพระโสดาบันบางคนเป็นพระทหารด้วยเ อ, อของเราก็ยังไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นเลยแต่ ของเราน ะ, ะบางท่านก็กล่าวบอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้ดีนะแสดงว่าเลวกันสองเทนเิกบางท่านก็ว่าอย่างนั้นนะเขาว่านะมาจำเขา้ามา